ปยังไงพามาลหลานชายก็แบบลูกน้องชายก็ะตัดอว่าจะไปเรียนต่อที่แคนาดาไปเรียนต่อปริญญาตรีไปเรียนที่เมืองไหนอ่ะเมืองไหนอคูวอ่อ่านคูเอรครัออครครัเอ่อครัอม่ บิสเนสนดีเรียนเราจะได้รวย <c oughs> ใช่ไหมที่ไปเรียนเพื่อจะได้รวยใช่ไหมแล้วเรียนทำไมอย่างนี้ทำทรถเกตเพื่ออะไรเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรวยนะพอเลี้ยงตัวเองได้ ก, ก็พอน ะ, อ ะ, อะดเดี๋ยวแต่ถ้ารวยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้ารวยเป็นไรไมไม่เป็นไรรนะวยเงินสู้รวยทำไม่ได้นู้นรถแห่รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเงินสู้ธรรมะไม่ได้เพราะเงินยังดับความทุกข์ใจไม่ได้ เงินดับความทุกข์ทางร่างกายได้ใช่ไหมมีเงินก็ซื้อข้าวกินได้ซื้อยารักษาโรคได้ซื้อเสื้อผ้ามาใส่ได้ซื้อบ้านเมย์สาหรับอาศัยได้อป้องกันทุกข์ทางร่างกายแต่ทุกข์ทางใจก็ยังเกิดขึ้นได้นะยังเสียใจได้ไหมยังน้อยใจได้ไหมยังเศร้าใจได้ยังเศร้าโศกเสียใจได้ไห ยังเหงาไหยเวลาอยู่คนเดียวเสร็จเหงาว่าเวไม่ไม่มีเพื่อนบางครั้งครับแ้ไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาทางใจบ้างทุกทางใจบ้างเลยหรือไม่รู้จะแก้อย่างไรงตอนนี้เาทุกทางกายก่อนนะ แก้ทุกทางร่างกายก่อนแล้วข้มาแก้ทุกทางใจเหมือนคุณน้าเนี่ยคุณน้าหรืคุณอาเนี่ยคุณป้าเลยเคุณป้าเขาแก้ทุกทางร่างกายได้แนละ้วทีนี้ก็เลยต้องมาแก้ทุกทางใจต่อเพราะว่าเหมือนแก้ได้ครึ่งเดียวไปเรียนหนังสือได้ไปริญญามาก็แก้ทุกทางร่างกายได้ เราก็ไปเรียนหนังสือมาเราก็จบปริญญามาเราก็แก้ทุกทางร่างกายได้มีงานทำมีเงินใช้แต่ทุกใจมันไม่หายมันไม่ได้หายไปกับเงินที่เราได้มาไม่ได้หายไปกับความรู้ที่เราเรียนมาความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถนำเอามาดลบความทุกข์ทางใจได้ เงินทองที่ได้มาก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้แต่ก็ต้องหาทางร่างกายก่อนต้องแก้ปัญหาทางร่างกายก่อนทาให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ทุกข์สมัยโบราณเขาไม่มีมาหาอัยเขาก็เลยไปบวชกันเลยไปเรียนที่วัดกันไปบวชไปบวชก็แก้ปัญหาทางร่างกายได้ลมีข้าวฟรีกินแล้ว มีบ้านอยู่ฟรีมีน้ำไฟฟรีเป็นพระเป็นเนรก็ไม่ต้องไม่ต้องหางเงินทองมีญาติพี่น้องญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงดูก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนก็เรียนวิชาทางธรรมไปเลยเพราะปัญหาทางร่างกายก็ได้รับการ แก้ขายไปแนละ้วเลยไม่ต้องไปเรียนปริญญาให้เสียเวลาใช่ไหมเราเรียนเราเรียนทางโลกมาเนี้ยกี่ปีตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงมหาวิทยาลัยถ้าเป็นยาตรีก็สิบหกปีก็แก้ปัญหาได้ครึ่งเดียวแก้ปัญหาทางร่างกายแต่สมา ห, ห้ก่อนเนียยัยงสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนพ่อแม่ท่านกา็ไปบวชเป็นเนเลย ไปเรียนทางทางธรรมเลยเพราะทางทางร่างกายก็แก้ง่ายเป็นพระเป็นเลนก็แก้แล้วไม่ต้องไปเรียนสิบหกปีเียแต่นี้สามารถรักษาศีลสองอยิบเจ็ดข้อได้รักษาศีลศีลสิบข้อได้ก็แก้ปัญหาทางร่างกายได้แล้วไม่ต้องไปเหนื่อยเรียนต้องสิบหกปีถึงจะได้ปริญญาถึงจะได้ไปทำงาน รักษาศีล5แค่10ข้อเนี่ยก็ไปบวชเนนได้ลนะมีข้าวฟรีกินละมีบ้านฟรีอยู่มีอะไรฟรีทุกอย่างแ ล, แล้วก็ยังมีเวลามาเรียนทางธรรมต่ออีกได้สองเด้งเลยบวชที่เนี่ยเป็นบวชพระบวชเนนได้กําไรสองต่อเลยได้แก้ปัญหาทางร่างกายแล้วก็ยังได้แก้ปัญหาทางใจด้วย เือในเรื่องการทำความดีทำาดีแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องชาติต่อนกับชาติหน้าแต่ถามว่าทำไมถึงต้องทำความดีก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะอ่ามันทำดีมันก็มีผลดีทำไม่ดีผลมันก็ไม่ดีผลไม่ดีเกิดขึ้นกับใจเราเวลาเราทำบาปทำไม่ดีเราสบายใจไหมเวลาโกหกแม่สบายใจเลย เวลาขโมยเงินของแม่ไปใช้สบายใจไหมนั่นมันไม่ดีไม่ให้ทำทำแล้วไม่สบายใจให้ทำสิ่งที่ดีให้ช่วยแม่ทำงานนี่ดีไหมช่วยแม่กวาด บ, บ้านล้างถ้วยล้างชาซักเสื้อผ้ารับใช้แม่อยากให้ใช้ไปขับรถพาไปไหนก็ขับไปอย่างนี้ดีไหมทำแล้วมีความสุขใจไหมนี่น ทำนี้ก็เพื่อเพื่อให้เรามีความสุขใจป้องกันความทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราเกิดจากการทำไม่ดีเกิดจากความโลภความโกรธความหลงมันจะทำให้ใจเราทุกข์แต่ถ้าเราทาความดีเราเสียสละเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเรามีความสุข นี่คือหลักของการทำดีไม่ดีส่วนอนาคตนี่ชาติก่อนชาติหน้านี้เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ถ้าเราไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อันนั้นเป็นมันเป็นความจริงที่ต้องปากฏขึ้นถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราทาความดี เราก็จะไปสวรรค์เราก็ไม่รู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงสวรรค์ก็คือความสุขใจที่เราได้รับจากการทำความดีเ ร, เรียกว่าสวรรค์นรกก็คือความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำไม่ดีเวลาร่างกายตายไปใจเราไม่ได้ตายไปกับล่างกายใจเรายังมีความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ยังมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีอยู่ ผลที่เกิดจากการทำดีไม่ดีแล้วความรู้สึกนี่แหละเราเรียกว่าสวรรค์หรือนรกกันความรู้สึกดีก็เป็นสวรรค์ความรู้สึกไม่ดีก็เป็นนรกกันแล้วพอความรู้สึกที่ดีไม่ดีหมดไปเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มามีร่างกายเพื่อมาทำผลที่ดีไม่ดีต่อไปอันนี้คือ เรื่องของเราที่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักตัวเราเราไปมองเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราแต่ร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราร่างกายเป็นตุ๊กตาพ่อแม่ให้เรามาเล่นรู้ปะเคยเห็นเด็กเวลาพ่อแม่ไปร้านลซื้อตุ๊กตามาให้ลูกไหมร่างกายเรานี่ก็เป็นตุ๊กตาพ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เราเอามาเล่นให้เรา ไปทําอะไรอยากจะเล่นก็มีร่างกายนี้พาไปเล่นอยากจะเที่ยวก็มีร่างกายนี้พาไปเที่ยวอยากจะดูอยากจะฟังก็มีร่างกายนี้พาไปดูพาไปฟังร่างกายนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนตุ๊กตาของเล่นที่ให้พ่อแม่ให้เรามาเล่นแต่เราไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้พ่อแม่ก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา เป็นตัวเราแล้วก็เลยเวทก็เลยมาห่วงใยคกับร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ตกใจกันไปหมดพ่อแม่ก็ตกใจเราก็ตกใจเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นตุ๊ ก, กาตาเราจะตกใจไหมเหมือนกนนันตกใจไง ของเล่นยังได้ตุ๊กตามาเป็นอะไรไปนียังตกใจอยยังเสียใจอยู่ยังกลัวอยู่เลยยังรักเลยยั ง, ยงรักตุ๊กตาอยูอ่เลยอ่ า, อานะแต่เหมือนเขาก็รู้นะคะเขา เ, ขาเรียนหนงวิชาภาษาไทยก็จะทราบว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความอยาก เราก็จะไม่ต้องมาเกิดใหมา่อีกเป็นปาิลิพานอะไรอย่างเงี้ยก็ใด้ทราบถือว่าจากการเรียนวิชาภาษาไทยเขาเรียนที่ไหนที่ดีเจนะเรียนที่ไหนก็ใกล้ใจเรีย น, นเรียนนี้า น, านาชอบบางกอกพัฒนาอ่าบางกอกพัฒนาที่เดียวกับลูกชายลูกชายเป็นคนรเรียนนะันแต่คือว่าเพราะว่าคุณพ่อเขาเหมือนกับว่าไปตั้งแต่ ไปทำงานต่างประเทศบ่อยก็จะต้องไปอยูตามที่เรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็กลับมามาอยู่ในไทยตอนนี้ตอนอแบบตอแล้วอ<ม>ตอนเล็กๆนี<ม>่ตอนมเราก็เหมือนกันสมัยที่เราเรียนหนังสือาก็ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยอะไรเข้าแต่โบสถ์โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนศาสนาเขาก็เลยบังคับให้เข้าโบสถก็ยังได้ศีลและธรรม อย่งางได้รู้จักทําบุญทําทานยังรู้จักอรักษาศีลก็นี่เมื่อกี้ก็คุยก็ดูศีลห้ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราศีลห้ามีอะไรก็ใจอยู่แต่เหมือนก็นว่าชีวิตไม่ก็เตี้ยอย่างเงี้ยสิคะก็ยังเต็แต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะไปต่างประเทศก็อยากจะไม่มีข้อคิดดึกสารณะเป็นที่พื้นทางใจไปดูต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยสิคะ ก็ใจเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลาก็สุขบางเวลาก็ทุกข์แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันสุขทำไมมันทุกข์แล้วรู้เราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ก็ต้องทนทุกข์ไปเวลาทุกข์แล้ถ้าไปแก้ทุกข์ก็เป็นปการแพ้ การแก้ชั่วคราวไม่ได้เป็นการแก้ที่ถาวนและเป็นการแก้ที่ไปสร้างความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวความทุกข์ใจของเราก็เลยไม่เคยหมดไปสทัทีเวลาเราเหงาเราก็ไปหาเพื่อนก็หายเหงาเดี๋ยวพอเรามาอยู่คนเดียวอีกเราก็เหงาอีกแก้ยังไงก็ไม่หมดความเหงานี่มันไม่มีวันหมด ถ้าเราแก้ด้วยการไปมีเพื่อนมันก็จะหมดไม่หมดความเหงามันเกิดจากความอยากมีเพื่อนถ้าเราตัดความอยากมีเพื่อนได้เราอยู่เราอยู่คนเดียวได้ไม่อยากมีเพื่อนเราก็จะไม่เหงา <S <S นนการที่จะอยู่คนเดียวไม่เหงาเราก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้ใจสงบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้มา พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบนะคใจให้สงบก็คือนั่งสมาธิภาษาฝรั่งก็เรียก meditation นั่งแล้วก็หายใจมีสติอยู่กับดวลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออก ไม่ให้ไปคิดถึงเพื่อนไม่ให้ไปคิดถึงที่ท่องเที่ยวไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราสุขที่เราสนุกกันคิดแล้วมันจะเกิดความอยากแล้วเดี๋ยวจะนั่งไม่ได้แล้วต้องไปทําตามความอยากถ้าไม่ได้ทําตามความอยากก็เศร้าเหง า, าว้าเองแต่ถ้านั่งเฉยๆได้ทําใจให้สงบได้ดูลมอย่างเดียวได้ พอใจสงบแล้วก็จะหายเหงาหายเศร้าหายว้าเหว่จะรู้สึกสบายอยู่คนเดียวแสนจะสบายนี่ถือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดเราไปแก้ปัญหาที่ผิดกันอยากเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวถึงจะหายหายเหงาอยากมีเพื่อนก็ต้องไปมีเพื่อนถึงจะหายเหงา เดี๋ยวเวลาเพื่อนไม่อยู่ก็เหงาอีกเวลาไปเที่ยวกลับมาก็หายก็เหงาอีกเวลาไปเที่ยวก็สนุกพอกลับมาอยู่คนเดียวก็เหงาอีกแล้วแกไม่ถูกจุดวิธีแก้ให้ถูกจุดก็ต้องทำใจให้สงบให้หยุดความอยากเที่ยวอยากมีเพื่อนให้ได้ถ้าใจสงบแล้วมันความอยากเที่ยวก็หายไป ความอยากมีเพื่อนก็หายไปอยู่คนเดียวก็ไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าวเวยนี่คือปัญหาทางใจใจของเราไม่เคยสงบใจของเรานี่อยากอยู่เรื่อยๆไม่อยากกับเรื่องนั้นก็อยากกับเรื่องนี้ไม่อยากกับสิ่งนั่นก็อยากกับสิ่งนี้ตอนนี้ก็อยากไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยพอเรียนก็อยากจะเรียนให้จบ พอจบแล้วก็อยากจะหางานทำพอมีงานทำแล้วก็อยากจะมีแฟนมีครอบครัวมันก็อยากไปเรื่อยๆแล้วพอมีครอบครัวก็อยากให้ครอบครัวสุขสบายอยากให้ลูกเรียนหนังสือดีๆก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกอีกส่งลูกไปเรียนต่ออีกมันก็แล้วก็อยาก อยู่ร่วมกันไปนานๆไม่อยากให้จากกันแล้วเดี๋ยวพอต้องจากกันก็เสียอกเสียใจร้องโหมร้องไห้อีกเราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความไม่สบายใจแก้ก็แก้ไม่ถูกจุดวิธีที่ก้ให้ถูกจุดก็ต้องทำใจให้สงบทำใจให้ไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆนี่คือ สิ่งที่เราไม่ไม่ทำกันเรามัวไปทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาแต่มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่ถาวรเป็นการแก้ปัญหาชัวา่วคราวเกิดมาก็อยากจะให้อยู่ดีกินดออีก็ต้องดิ่นลนไปเรียนหนังสือไปหางานทำ พออยู่ดีกินดีแล้วก็อยากจ ะ, ะมีความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไปหาซื้อมาคนก็ไปขอเข้ามาขอพ่อขอแม่เขามามีครอบครัวแล้วก็ไปซื้อของใช้ต่างๆมาใช้กันมีเวลาว่างก็ไปท่องเที่ยวกันก็มีความสุขกันไปเรื่อยๆ จนเดินถ้าวันไหนสะดุดเข้าเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ตกตำ่ำเงินทองไม่พอใช้ตอนนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้พรอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอไม่มีเงินใช้ก็จะไม่มีความสุขกันแล้ ว, ลวดีไม่ดีเดี๋ยวก็อาจจะต้องแยกกันไปอยู่คนละที่ พอเม่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขก็ต้องย้ายไปหาที่ที่ให้ความสุขกับเขาต่อไปชีวิตก็เป็นอย่างนี้แก้ปัญหาแต่แก้ไม่ถูกจุดแก้แล้วก็ต้องไปแก้ใหม่เพราะมันมีมันเป็นการเป็นการแก้ที่ไปไปไปอาศัยสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ถาวรมาแก้ สิ่งที่มาแก้ปัญหาเราเดี๋ยวเกิดมันหมดไปหายไปปัญหาเราก็กลับมาใหม่เช่นเงินทองถ้าเงินทองหมดไปเมื่อไหร่ปัญหามันก็กลับมาเหมือนเดิมทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะเงินทองมีเงินทองเราก็สามารถที่จะแก้ความเหงาแก้ความไม่สบายใจต่างๆได้เวลาเหงาก็ไปเที่ยวกันเวลาเหงาเวลา ขาดอะไรก็ไปซื้อมาใช้ได้แต่ถ้าขาดเงินปั๊บทีนี้ก็ปัญหาต่างๆก็แก้ไม่ได้เนอะ็นดาอยากจะแก้ปัญหาที่เงินทองแก้ไม่ได้ก็ต้องมาแก้ด้วยธรรมะต้องมาปฏิบัติต้องมาถือศีลกันถ้าบวชได้ก็ไปบวชเลยไปบวชได้ก็ไม่ต้องไปเรียน ให้เสียเวลาพอหมดปั๊บปัญหาทางร่างกายก็จบแล้วมีกินไปจนมันตายไม่ต้องไปมีข้อกลัวไม่ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาให้เหนื่อยเราก็ต้องมาทุกข์มาห่วงลูกมาห่วงภรรยาอยู่คนเดียวสบายกว่าแล้วก็มาทำใจให้สงบ ทำใจให้ฉลาดให้เห็นว่าความอยากต่างๆนี้เป็นตัวปัญหาไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาตอนนี้เราคิดว่าตัวความอยากนี่เป็นตัวแก้ปัญหาไม่มีเงินก็ต้องอยากมีเงินได้เงินมาแล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้แต่ขอถ้าเงินไม่มีปัญหาต่างๆก็กลับมาใหม่มันไม่ได้แก้อย่างถาวร แต่ถ้าแก้ที่ความอยากแล้วไม่มีความอยากาไม่มีความอยากให้ให้อยู่ไปนานๆานให้สุขไปนานๆน อ, อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปถ้อาอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีเงินทองมีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้คือปัญหาทางร่างกายนี้เรา ต้องยอมรับว่ายัางไงมันก็แก้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Yeah. S 1> ให้มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาของความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างดี <Yeah. S 1> แต่เราสามารถแก้ปัญหาทางใจทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ <Yeah. S 1> ทําให้เราไม่ทุกข์กับการอดอยากาขาดแคลนได้ มีกินก็กินไม่มีกินก็อดไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายไปแต่ใจจะไม่ทุกข์กับมันใจจะสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีธรรมะถ้ามีความสงบถ้ามีปัญญาใจจะมีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะอดอยากขาดแคลนถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม่ร่างกายจะ ถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครามาให้ความสำคัญไม่มีใครมาช่วยเหลือก็จะช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ก็อยู่ไม่ได้แต่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กัน เ, เราไปผูกใจเราติดกับร่างกายจะเป็นจะตายกับร่างกายไป ร่างกายเป็นอะไรก็จะเป็นไปกับร่างกายทั้งั้งที่เราไม่ต้องเป็นอะไรไปกับร่างกายเพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างที่จะบอกให้เรารู้ว่าร่างกายนีดเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนเด็กมันหลงรักตุ๊กตาไม่อเวลตุกล๊กตาหายนี่ร้องหม่มร้องไห้ห่วงใครมาแตะไม่ได้ พอไปคิดไปไปถือว่าเป็นของเราแล้วคิดว่าจะต้องอยู่กับเราไปตลอดในร่างกายเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วมันก็จะไม่อยู่ไปกับเราไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปเนี่ยเราไปเรียนหนังสือแทบเป็นแทบตายแล้วเดี๋ยวมาทำงานหาเงินแทบเป็นแทบตาย เพื่อรักษาร่างกายนี้ให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปแล้วเราก็ต้องไปทุกข์กับมันอีกแต่ถ้าเรามาเรียนทางธรรมะเราก็จะมาะทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดอย่าไปรักอย่าไปหวงร่างกายร่างกายไม่ใช่ของเราเดี๋ยวสักวันนึ่งร่างกายก็ต้องจากเราไป เราก็จะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายหรือเวลาที่ร่างกายอดอยากขาดแคลนเราก็ไม่ทุกข์เพราะใจเราไม่อดอยากขาดแคลนไปกับร่างกายใจเรามีความสงบเป็นอาหารความสงบนี้จะทำให้ใจอิ่มจะทำให้ใจสุขตลอดเวลาคือวิธีแก้ปัญหา สมัยโบราณเขาแก้ปัญหาอย่างถูกจุดแล้วก็ไม่ต้องมีมหาวิทยาลัย ร, ระดับเป็นยาตีโทเอกเขาขอให้รักษาศีลสิบให้ได้รักษาศีลสองรอยิบเจ็ดให้ได้ก็บวชได้แล้วบวชได้ก็แก้ปัญหาทางร่างกายได้แล้วปัจจัยสี่มีบริบูรณ์มีประจรวันตายแล้วก็มีเวลามาศึกษาทำ มีเวลามาปฏิบัติธรรมมีเวลามาแก้ปัญหาทางใจมาลับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปนี่แหละคือวิธีที่ถูกต้องต้องทำแบบพระพุทธศาสนาแต่โลกไม่สนใจโลกไม่ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่เข้าใจ ถึงว่าทำไมต้องมาบวชกันมาถือศีลกันเพราะใจนี้อยากจะหาความสุขทางร่างกายกัน อ, อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นกันก็เลยเอาร่างกายนี้เป็นเป็นตัวนำตัวสำคัญเพระอาจารย์ถึงต้องคอยพูดอยู่เรื่อยว่าใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ ใจเป็นตัวที่สําคัญไม่ใช่ร่างกายแต่ทางโลกเขากลับไปเห็นทางร่างกายเป็นตัวที่สําคัญเนี่ปัญหาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็ทํากันทุกวันนี้ทําเพื่อร่างกายเท่านั้นหาปัจจัยสี่กันประเทศที่จเจริญแทนที่มัจะมีความชุกกับปัจจัยสี่กับทุกข์กับเครียดกับปัจจัยสี่ปัจจัยสีท่ทตอนนี้ที่อเมริกากําลังเครียดกันคืออะไรนะ ยารักษาโรคตอนนี้เครียดกันเพราะค่ารักษาโรกภายค่าเจ็บมันสูงค่าประกันก็สูงรายได้ก็ไม่พอก็ต้องอาศัยรัฐบาลช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากจะช่วยฝ่ายที่ฝ่ายคนรวยก็ไม่อยากจะช่วยคนจนฝ่ายคนจนก็อยากจะบังคับ เอาเงินภาษีของคนรวยมาช่วยคนจ น, นก็เลยยั่งยื้อกันไปย่างกันมาอันนี้ฝ่ายคนรวยกำลังชนะอทีนี้เขาก็เลยกำลังจะตัดการช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆคนรวยก็บอกว่าก่อนมาแล้วก็ต้องตายจะมาให้คนอื่นมารับภาระทำไม ก็ทุกคนก็ต้องรับภาระกันเองคนรวยก็มีเงินเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ซื้อประกันได้เขาก็อะไรได้เขาก็บอกทุกคนก็ต้องทำเหมือนคนรวยทุกคนก็ต้องซื้อประกันเองทำไมจะมาให้รัฐบาลมาซื้อประกันให้นี่มันก็เลยหมถึงแม้จะอยู่ประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลมันก็มันก็นกยังทุกข์อยู่ดี ทุกเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้อย่างพอเพียงเนถ้าเรามาคอยกังวลกับเรื่องของร่างกายนี่เราจะจะต้องมีแต่ปัญหาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตัวแปรมันเยอะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเงินทางมันไม่ได้เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องบางทีก็มากบางทีก็น้อย แต่รายจ่ายนี้มันมากอยู่เรื่อยๆมันไม่มีลดเคยใช้เท่าไหร่มันก็ต้องใช้เท่านั้นใช่ไหมให้ใช้น้อยกว่า น, นั้นได้ไหมไม่ได้พ่อแม่เคยตัดค่าขนมเราบ้างไหมมีแต่เพิ่มอยู่เรื่อยๆใช่ไหมถ้าตัดแล้วเป็นยังไงเคยพอพ่อแม่บอกขอตัดเงินเดือนได้ไหมขอลดค่าเงินเดือนได้ไหม มากเกินไปเคยคิดไม่เคยคิ ด, ไ ม, คคด ไ, มคไม่เคยคิดว่ามากเลยนะมีแต่ไม่พอมากกว่านะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอต่อไปคุณหาเงินมาได้มากกว่าที่คุณได้ตอนนี้คุณก็ไม่พอใช้อีกแล้วเพราะมันก็มีของที่คุณอยากจะซื้อมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคุณคิดว่าการซื้อของตามความอยากต่างๆจะทำให้คุณมีความสุขแล้วพอต่อไปไม่มีเงินซื้อก็ทุกข์แล้ว มาหาธรรมะดีกว่าหาเงินลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงเพราะธรรมะจะทําให้เราไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ทุกข์กับเงินทองไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องอาศัยข้าวของเงินทองมาให้ความสุขกับเราเราอาศัยธรรมะที่มีอยู่ในตัวเราะ เพียงแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเี่ยเราต้องเข้าไปขุดเพชรที่มีอยู่ในใจเราเราไม่เราไปขุดเพชรข้างนอกกันไปขุดทองข้างนอกกันก็เลยต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันไปไปฆ่ากันไปทําสงครามกัน ไ, ไม่ไปขุดน้ํามันกันไหมขุดน้ํามันก็ต้องไปทําศึกสงครามกันไปแย่งน้ํามันกันแย่งทรัพยากรกันอย่างนี้ต้องวางแผนไปแย่งกันที่ ดาวังคารแล้วพโลกนี้เริ่มจ ะ, ะเดินจะไม่มีที่จะไปขุดกันละไปวางแผนอีกร้อยปีนี้จะต้องส่งอีกห้าสิบปีจะต้องส่งคนขึ้นไปอยู่อีกโลกนึงละส่งไปกี่โลกมันก็ไม่พอเพราะพราะยิงได้มามากมันก็ยิ่งผลิตคนมากขึ้นแล้วมันก็ต้องแก่งแย่งดีกันไปเรื่อยๆแล้วได้เท่าไหร่ก็ ก็ไม่พอใจไม่มีวันพอจากการได้สิ่งต่างๆมาใจจะพอต่อเมืม่อใจสงบตอนนั้นเองถ้าใจสงบแล้วพอไม่อยากได้อะไรสบายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายร่างกายมีก็เลี้ยงมันไปตามมีตามเกิดพอถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไป ยันถ้าเปลี่ยนใจได้ก็มาบวช ด, ดีกว่าเดี๋ยวเข้าพรรษายังไม่กี่วันมารีบเตรียมตัวไปสมัครบวชได้นะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเสียเงินทองพ่อแม่จะได้สบายกิดดูปีหนึ่งอย่างน้อยก็ล้านหนึ่งละมั้งส่งไปเรียนเมืองนอกเนี่ยล้านหนึ่งไม่รู้จะพอเว่าพ่อแม่จะได้เอาเงินล้านมาทําอะไรพ่อแม่อาจจะเอาเงินล้านมา มาใช้มามาอยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ต้องทำงานพ่อแม่ก็จะได้ไม่ต้องทำงานให้เหน็ดเหนื่อยเอาเงินล้านนี่มาอยู่บ้านปฏิบัติธรรมหรือไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเราก็ไปบวชสบายกันทุกคนเราแก้กความ <c oughs> ทุกข์ได้ด้วยใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรต่อไป เรียนเสร็จก่อนพอเรียนเสร็จก่อนอเรียนเสร็จก็ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมอยูยังไม่ได้รับการแก้อืมถ้าได้ทําแล้วไม่ต้องมีเงินเงินมันมาเองเนี่ยนั่งอยู่เฉยมันก็มาเนี่ยไ <laughs> ม่ต้องไปหาแล้วก็ไม่ได้ใช้มัน ก็ไปให้เขาต่อให้คนอื่นใช้ต่อพอมีธรรมแล้วมันไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินเพราะมันไม่ต้องซื้ออะไร <S 2> <S 2> <S 2> ความสุขที่ซื้อด้วยเงินทองซื้อความสุขที่ได้มาด้วยธรรมไม่ได้มีธรรมอยู่ในในใจแล้วได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง ความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเลยไม่ต้องมีคม่ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเงินทองไม่ต้องหาเงินทองไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องทุกข์กับเงินทองนี่บอกทางลัดให้ถ้าไม่ไม่ต้องการก็ไปเหมือนเราเราก็ต้องไปเรียนเรืองนอกมาห้าปีก่อนเรียนมาจบแล้วค่อยมาเจอธรรมะค่อยมาบวช พอเรียนจบแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมตอนตอน้องคิดว่าไปเรียนมากลับมาเราคงจะสบายที่ไหนได้กลับมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมเมื่อก่อนทุกข์เพราะอยากจะไปเรียนพอเรียนจบก็ทุกข์กับการหาเงินห า, หางานพอทำงานก็ทุกข์กับการทำงานกับการรักษางานอีกทำงานเดี๋ยวทำไม่ดีก็ถูกเขาไล่ออกอีกแค่ <c oughs> มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นรอเราอยู่ข้างหน้า ถ้าเราไปในทางทางเงินทางการหาเงินหาทองแต่ถ้าเราไปหาธรรมนี่เราจะเราจะกาจัดความทุกข์ไปเรื่อยๆให้หมดไปจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเราอยู่เฉยๆก็สบายไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่ว้าเหว่ ไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังก็นอนสบายกว่าดูแล้วฟังแล้วเป็นงานก็เหนื่อยดูแล้วก็ผ่านไปดูละครมากี่เรื่องมันก็ผ่านไปฟังคอนเสิร์ตมากี่ครั้งมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เหมือนเดิมก็ยังอยากดูอยากฟังอย่างนั้นสู้นอนดีกว่า นอนสบายกว่าพักผ่อนร่างกายตื่นขึ้นมาร่างกายก็กระฉับกระเฉงดูแล้วดูเด็กเด็กเวลานอนขึ้นมาก็ตื่นสายถ้าต้องตื่นเช้าก็งดเหน็ดถ้าต้องไปทํางานแต่เช้าต้องตื่นแต่เช้าก็งดเหน็ดความสุขที่ได้จากดูจากการฟังก็หายไปได้แต่ความงมดเหน็ดตามมาเพราะต้องตื่นแต่เช้าไปทางาน หลับอดนอนเพื่อดูหาความสุขจากการดูการฟังแล้วพอถึงเวลาต้องตื่นไปทำงานก็งดเกีดิดนอนหลับไม่พออารมณ์ค้างโมโหง่ายใครพูดอะไรใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธึ้นมาพอเราแก้ปัญหาผิดจุดวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ใจต้องมาแก้ที่ ธรรมะต้องเอาธรรมะมาทําใจของเราให้สงบให้ได้ตาใจเราสงบแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเราจะอยู่กับสิ่งต่างๆได้อย่างสบายใครจะพูดอะไรถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เดือดร้อนใครจะทําอะไรถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยก็ทําไปใจเราจะไม่มีอารมณ์กับการกระทําของคนอื่น ไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆใจจะเฉยจะจะพอไม่เดือดร้อนถ้าใจสงบแหละถ้าใจไม่สงบนี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ผอวอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ถูกใจขึ้นมาก็โกรธเสียใจทําอะไรนิดทําอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็เสียใจเพอเราไม่รู้จักแก้ปัญหาใจ เราโมแต่ไปแก้ปัญหาที่ร่างกายแก้ปัญหาของร่างกายแก้ปัญหาของความของใจก็แก้ผิดทางไปแก้ด้วยการทำตามความอยากแทนที่จะแก้ด้วยการหยุดความอยากมันก็แก้ไม่จบพอไ ม, ม่สบายใจอยากจะทำนู่นก็ไปทำพอทำแล้วก็หายจากความไม่สบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก ต้องไปทำอีกวิธีแก้ต้องหยุดความอยากหยุดการกระทำต่างๆนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วไม่มีปัญหาใช่คนที่นั่งเฉยๆก็ไปสร้างอะไร ใ, ใครเดือดร้อนหรอเป่าไอ้คนที่ไม่เฉยที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปพูดไม่ดีคนเขาอื่นเขาก็ไม่อยากจะฟังแล้วไปทำไม่ดีคนอื่นเขาก็ไม่พอใจ แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆได้แล้วเรามีความสุขจากการนั่งเฉยๆเราก็สบายคนอื่นเขาก็สบายกับเราคนอื่นเขาก็ไม่มาไม่ต้องมาโกรธมาเกลียดเรา <c oughs> ถ้าแก้ปัญหาที่ใจจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้หมดเลยถ้าทุกถ้าโกนี้ทุกคนทําใจให้สงบได้ โลกนี้จะไม่มีปัญหาทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขต่างคนต่างอยู่กันถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่ตายช่วยกันยังไงก็ตายอยู่ดีไม่ช่วยก็ตายช่วยก็ตายแต่ใจไม่เดือดร้อนกันคนที่จะตายก็ไม่เดือดรอไม่เดือดร้อนคนที่จะไม่ได้ช่วยเหลือก็ไม่เดือดร้อน เพราะทุกคนมีความสงบมีความสบายใจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดแต่ไม่มีใครแก้กันมีก็มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกเท่านั้นซึ่งถ้านับกับจำนวนของคนที่มีอยู่ในโลกนี้มันนิดเดียวจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเอร์เซ็น สองคนในโลกที่แก้ปัญหาที่ถูกจุดคือแก้ที่ใจแก้ด้วยธรรมะแต่อีกเก้าสิเก้าจุ ด, จด 99, 99เก้าเก้าเก้านี่ไปแก้ที่ร่างกายกันไปแก้ที่ร่างกายองค์กรอะไรต่างๆนี่ก็ไปแก้ที่เรื่อ ง, องของร่างกายเรื่องอ ะ, อะ F.A.O. Food and a g r i c u l อ u r ะไรมันก็ไปแก้เรื่องปัญหาอาหารขาดแคลน u n นิเซฟก็เรื่องรักษาโรคภายไข้เจ็บของเด็กอะไรเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กมันก็เรื่องของร่างกายยูนก็เรื่องของสงครามอย่าให้เรามาแข่งข้ากัน ที่เขียนข้ากันเพราะมันแย่งผลประโยชน์กันแย่งทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้กันถ้าไปแก้ปัญหาทางร่างกายแล้วแก้ไม่จบแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีสงครามโลกเกิดขึ้นอีกเพราะเดี๋ยวมันก็ไอพวกที่มันต้องการผลประโยชน์มากมันก็อาศัยเอากำลังดีกว่า ก็มาสร้างอาวุธกันใครมีอาวุธมากก็จะสามารถใช้กำลังมาค่มคู่ประเทศที่ไม่มีกำลังค่มคู่เอาทรัพยากรต่างๆโลกนี้มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีสงครามกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันแล้วเดี๋ยวก็มาทำสันติภาพกันเพราะพอฆ่ากันมากๆแล้วมันก็เบื่อก็หยุด แต่เดี๋ยวพวกยุคใหม่เกิดขึ้นมาที่หลังที่ไม่เคยเห็นสงครามก็ก็ไม่รู้พิษของสงครามเีเดี๋ยวก็แก่งแย่งกันอีกเดี๋ยวก็เข็นฆ่ากันอีกฆ่าฟันกันอีกมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยอาณาจักรต่างจเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมพอเพราะเพราะอนี้คนยุคหลังที่มาเกิดไม่เคยเห็นสงครามก็เห็นว่าการทำสงครามนี้ดี ทำสงครามแล้วเราจะได้อนาจักมาครอบครองพอทำไปแล้วก็เหนื่อยเห็นการฆ่าฟันเห็นความทุกข์เดือดร้อนของคนงต่างๆก็เบื่อสงครามกันทำสันติภาพกันเดี๋ยวพอคนรุ่นใหม่เกิดมาใหม่ก็เบื่อสันติภาพต้องทำสงครามโลกนี้มันก็ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ มีการสร้างอาณาจักรแล้วก็มีการทำลายอาณาจักรไปใครมีกำลังมากกว่าก็เป็นเป็นเป็นเจ้าอาณาจักรไปแล้วคนก็เดือดร้อนกันไปเวลาเกิดสงครามกันเวลาเกิดปัญหากันเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราแก้ปัญหาของโลกไม่ได้แล้วเราต้องมาแก้ปัญหาของเราคนเดียวก็พอถ้าเราทําใจของเราให้สงบทําใจของเราให้สบายแล้วเราก็จะยอมรับทุกอย่างได้จะมีสงค์ขัก็มีไปไม่มีไม่มีก็ตายอยู่ดีมีก็ตายเหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหนมีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าใจสงบแล้วใจไม่เดือดร้อน ใจมีความสุขมีความสุขกับความแก่ความเจ็บความตายมีความสุขกับสงรา ม, มีความสุขกับสันติภาพงั้นขอให้เรามาแก้ปัญหาที่ถูกจุดดีกว่าแก้ปัญหาของเราก่อนถ้าเราแก้ของเราได้แล้วถ้าคนอื่นสนใจก็สอนเขาถ้าก็ไม่สนใจก็ไม่ต้องไปสอนเพราะถ้าไม่สนใจสอนก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับอยู่ดีพวกเราโชคดีเราได้มาเจ อ, เอนักปราชญ์ที่รู้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดคือพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านได้แก้ปัญหาของท่านแล้วท่านสบายแล้วท่านไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นจะตายจะแกะ่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บนี่ท่านไม่เดือดร้อนแล้ว โลคนี้จะมีสงครามหรือไม่มีสงครามก็ไม่เดือดร้อนโลคนี้จะมีอดอยากขาดแคลนหรือไม่อดอยากขาดแคลนก็ไม่เดือดร้อนก็มั น, เ ป, นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนน้ำตกเหมือนฝ น, นตกน้ำท่วมนี่เวลามันฝนมันตกน้ำท่วมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่บางจีนนี่เห็นไหมภูเขาถล่มขึ้นมาตายไปเท่าไหร่ไปเดือดร้อนก็ไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดี ไปห้ามให้มันตายได้ไหมคนที่มันตายแล้วไปเดือดร้อนแล้วทําให้มันฟื้นกลับขึ้นมาไหมป่ะมันก็ตายไปแล้วเกิดมาเท่าไหร่ก็ต้องตายเท่านั้นแหละเนรุณนอนตอนนี้มีพลเมืองเท่าไหร่แปดหมื่นล้านเนี่ยแปดหมืนล้านคนเดี๋ยวก็ต้องมีแปดหมืนล้านศพไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายหรอก เรื่องความตายนี่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของโลกไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปตกใจทําใจให้สงบแล้วจะไม่ตื่นเต้นจะไม่ตกใจจะไม่หวั่นไหวจะไม่เดือดร้อนจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาแก้ปัญหาที่ใจเราปัญหาที่ร่างกายก็แก้แบบง่ายๆ หางานทำไม่ต้องไปเรียนจบปริญญาก็ได้ตอนนี้เอาให้ได้วันละสามร้อยบาทก็อยู่ได้แนละ้วไปเป็นกรรมกรก็ได้ไปล้างถ้วยล้างชามก็ได้ก็ได้มาเลี้ยงดูปากท้องเหมือนกันก็พอแล้วทำไมต้องไปเหน็ดเหน่อยเรียนปริญญากลับมาแล้วได้เงินเดือนเดือนละสามล้านได้เงินมาสามล้านก็ไปซื้อข้าวซื้อของมาให้วุ่นวายใจไปเปล่า แล้วก็ต้องมาดูแลทรัพย์สมบัติที่หาได้มาต้องมาคอยกังวลคอยวิตกเศรษฐกิจจะตกต่ําธนาคารจะล้มหรือเปล่านี่ธนาคารล้มตอนนี้ไม่ไมีไม่รับประกันเงินฝากแล้วนะล้มก็หมดเลยนะใครฝากไว้เท่าไหร่ก็หมดนะหามาถ้าเป็นแทบตายเดี๋ยวธนาคารล้มก็หมดแล้วต้องต้องกระจายเงินไปให้หลายๆที่แล้วนะ เราเอาไข่ไปเก็บไว้หลายๆที่แล้วไปเก็บไว้ในตะกร้าเดียวเดี๋ยวเกิดตะกร้ามันหลน่นมันแตกหมดต้องกระจายเงินฝากไปหลายๆธนาคารนะอไปเล่นหุ้นบ้างไปซื้อหุ้นบ้างะไปซื้อที่ดินบ้างไปซื้อคอนโดบ้างไปซื้อทองบ้างกระจายไปกระจายไงเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีดูนื่อรึเปล่า ถ้ามาแก้ปัญหาทางร่างกายเนี่ยแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันจบมาแก้ปัญหาทางใจแล้วสบายดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ท่าน ก, ก็เห็นปัญหาทางร่างกายนี้มันมากเรื่องท่านก็เลยตัดมันไปไดีกว่าไปอยู่แบบขอทานดีกว่าแล้วมาแก้ปัญหาทางใจเทาใจให้สงบทาใจให้ไม่ให้ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำใจให้เกิดปัญญา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราเลยเราไปเคลมมันเองว่าเป็นของเราพอถึงเวลามันเข้ามาเคลมกลับไปก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้ของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันเป็นของธรรมชาติแต่เราไปเคลมว่าเป็นของเรากันของทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดนะแล้วและเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปอยู่ดีแต่เวลาอยู่ทําไมหวงกันนะหวงกันนะ ถึงเวลาไปก็ไปไม่ได้ mm hmm. พระพุทธเจ้าก็เลยไม่เครไม่ห่วงเอาเอาพออยู่ได้ก็พอ mm hmm. เอาวันละบาท mm hmm. บินละบาทวันละบาท mm hmm. ได้อาหารวันละบาทก็พอแล้ว mm hmm. เอาเวลามาแก้ปัญหาตัวที่เป็นปัญหาจริงๆดีกว่าก็คือใจ mm hmm. ตัวที่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมด มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีดีแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปจากดีก็เป็นไม่ไม่ดีจากเกิดก็ดับจากเจริญก็เสือ่อมมันไม่ดีอะไรที่มันนิ่งมันเฉยมันเหมือนเดิมไปมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าไปหวังกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะเสียใจจะผิดหวังเวลาที่มันเปลี่ยนไปงั้นไปตัด สอนใจอย่าไปหวังกับอะไรเพราะใจไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็มีความสุขได้สิ่งที่ให้ความสุขของใจก็คือความสงบนี่แหละแล้วลสิ่งที่จะทำให้ใจสงบก็คือธรรมะก็คือสติสมาธิปัญญามาสร้างตัวนี้ดีกว่าสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้วใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุข ไม่เดือดร้อนกับการเกนกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่โลกนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องเสื่อมไปหมดไปโลกนี้มันอาจจะต้องระเบิดไปสักวันหนึ่งแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกสิ่งที่ดึงให้โลกมันอยู่ร่วมกันนี่เดี๋ยวมันอาจจะหมดกาลังมันก็จะกระจายแตกออกไปเหมือนลูกระเบิด แต่ใจเราไม่แตกไปกับโลกใจเราไม่มีวันตายแต่ใยเราตอนนี้มันยังมีความทุกข์อยู่เท่านั้นเองเพราะเราไม่รู้จักวิธีทาใจให้สงบเพราะเราไม่มีธรรมะเราไม่เข้าหาธรรมะกันถ้าเราเข้าหาธรรมะเราจะรู้จักวิธีทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดทำใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วใจก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ น, นี่แหละคือประโยชน์ของธรรมะลดแห่งธรรมชนะลดทางปวงคือลดของการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและนามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ให้พวกเราปฏิบัติให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาก็คือให้สร้างศีลให้สร้างสมาธิให้สร้างปัญญากันขึ้นมาแล้วเราจะมีธรรมะมาคุ้มครองรักษาใจของเราให้สงบไม่ให้หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นต่อไปอแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พ่อ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสามกปาจันโทปนะหะระโสยะถามณิโชติ อระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิตสะนิจจังวุทฒาปจายโนยตาโรธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง ลคำถามจากคุณไทยค่ะมีคำถามสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติค่ะควรจะอ่านทฤษฎีด้วยไหมคะไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่าใดและเริ่มปฏิบัติอย่างไรดีคะอ๋อก็ศึกษาวิธีปฏิบัติก็พอคือให้ศึกษามรรคแปดให้ศึกษาศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนา ศึกษาแค่นี้ก็พอถ้าอยากจะปฏิบัติเยหรือถ้ามีเวลาศึกษาต่อไปก็ได้ศึกษาพุทธประวัติแล้รู้จักพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของภาษาวกบางรูป ก, ก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ศึกษาแค่ทานศีลภาวนาสามข้อ น, นี้ไปก่อนให้รู้จักวิธีทาทานให้รู้จักวิธีรักษาศีลให้รู้จักวิธีภาวนาแล้วก็ทาไป ไม่ต้องไปเรียนทั้งพระไตรปิฎกแล้วค่อยมาทําเดี๋ยวจะตายไปก่อนใช่ไหยิงย่งเรียนมากมากยิ่งรู้มากมากก็ยิ่งจะไม่อยากจะปฏิบัติเพราะคิดว่ารู้รู้รู้พอแล้วคิดว่าบรรลุแล้วการเรียนนี้ไม่สามารถทําให้บรรลุทาได้การบรรลุธรรมนี้กิเลสต้องตายถึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมไม่ใช่เรียนจบพระไตรปิฎกจาได้พระไตรปิฎกแล้วถือว่าบรรลุแล้วไม่บรรลุ ถ้ายังมีความโลภโกรธหลงอยู่เหมือนเดิมก็เรียนไปก็ยังไม่เป็นประโยชน์ต้องเอาความรู้ที่เรียนนี้เอามาฆ่ากิเลสอีกทีหนึง่งเอามาฆ่าความโลภความโกรธความหลงถึงจะเรียกว่ า, เ, า, เ, าเป็นเป็นการบรรลุรู้ธรรมะรู้โลภโกรธหลงรู้อะไรไปหมดรู้ดินน้ำลมไฟรู้ธาตุสีรู้อริยสัจสี รู้อะไรแต่ไม่สามารถมาฆ่าความโลภโกรธลนองได้ก็ไม่มเกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณนาดาค่ะ <c oughs> การจบของทําบุญที่ถูกต้องคนทําอย่างไรควรจบทุกครั้งหรือไม่อย่างไรครับไม่ต้องจบหรอกใส่ไปเลยทำไมต้องมาจบเจิกด้วยการทําบุญก็ให้เสียสละเท่านั้นเองให้เสียสละไป จะจกก็ได้แต่ไม่จกก็ได้ถ้าจะจกก็ถ้าจกว่าขอให้ได้ทำบุญแบบนี้ไปจนวันตายอย่าไปจกขอขอผลขอให้ร่ำให้รวยขอให้สามีดีขอให้ลูกดีจกแบบนี้เสียเวลาเปล่าจกไปก็ไม่ได้ถ้าจะจกก็ให้จกในสิ่งที่เราได้ก็คือขอให้เราได้ทำบุญนี้ทุกวันขอให้จกแบบนี้ขอให้จกที่เหตุอย่าไปจกที่ผล คำถามจากคุณนาราค่ะการสร้างพระพุทธรูปและอุทิตแก้กรรมในเวรแก้กรรมหนักให้เป็นเบาได้หมดเลยแก้กรรมหนักให้ เ, เบาหรือหมดเลยได้จริงไหมครับไม่ได้หรอแก้กรรมไม่ได้ <c oughs> การทําบุญนี้ไม่ได้มาการแก้กรรมบุญอุทิตนี้เป็นการแบ่งบุญให้กับผู้ที่งรงลับไปแล้วเท่า น, นั้นเองผู้ที่ร่งลับบางทีเป็นขอทานอยู่ไม่มีบุญก็เลยมาขอส่วนบุญที่เราทําอยู่นี่ ก็เหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานทั้งนั้นเองเงินส่วนใหญ่บุญส่วนใหญ่ที่เราได้รับเราให้เราอุทิศไปไม่ได้อุทิศได้เพียงส่วนนิดเดียวนี่เป็นธรรมชาติของบุญอุทิศมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปแก้กรรมไม่ได้แก้บาปไม่ได้บาบกรรมที่ทำไว้มันก็ยังต้องส่งผลอยู่ต่อไปแต่มันสามารถที่จะชะลอได้ถ้าเราทาบุญเยอะๆทาบุญมากกว่ากรรมเวลาเราตายไป กรรมยังไม่มีโ อ, อกาสที่จะแสดงผลเพราะบุญมีกำลังมากกว่าบุญจะแสดงผลก่อนบุญจะส่งเราไปสวรรค์ก่อนแล้วส่งเราไปนิพพานเลยก็ได้เช่นองคุลิมานนี่ฆ่าคนต้อง9ก้า้อยเกคนแต่ได้บุญจากการเป็นท้าอารหรันต์ก็เลยไม่ต้องไปใช้กรรมที่เกิดจากการฆ่าคน9 9้า้าสิบคนเพราะไปเป็นท้าอารหันต์พอเป็นท่าอารหันต์แล้วก็ไม่กลับมาเกิด เมื่อไม่กลับมาเกิดกรรมต่างๆที่ทำไว้ก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะส่งผลให้กับผู้กระทำได้เพราะผู้กระทำไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปคำถามจากคุณลาวันค่ะดิฉันไม่ทราบว่า enlightenment หมายความว่าอะไรที่ตรงกับภาษาไทยค่ะอะ่ก็มีดวงตาเห็นธรรมไงมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรม enlightenment แปลว่า ไลท์ก็แปลว่าแสงไงเอนไลท์เท่านก็ได้แสงได้แสงสว่างแห่งธรรมที่ว่าเห็นว่าการมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยแสงสว่างแห่งธรรมคือเห็นอ น, นิจจงเห็นพรทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงที่จะอยู่อย่างถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับ <c oughs> ถ้าเห็นอย่างนี้เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดเพอะยึดติดเราจะทุกข์ พอยึดติดแล้วจะไม่อยากให้มันดับใช่ไะเพอมันจะดับก็ทุกเพราะความอยากไม่ให้มันดับแต่ถ้ารู้ว่ามันต้องดับแล้วไม่ไปยึดไปติดปล่อยมันดับไปก็จะไม่ทุกจนร่างกายนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายถ้าอยากไม่ตายก็จะต้องทุกไปเรื่อยๆถ้ายอมตายเมื่อไหร่ก็จะหายทุกเมื่อ น, นั้นเ <c oughs> พราะมันต้องตายเป็นความจริงคาถามจากคุณกิติมาค่ะ การทําบุญครบรอบวัน ล, ละสังขารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาตรวจน้ําถวายบุญกุศลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้คนเดียวจะอุทิศให้บุคคลอื่นอีกได้ไหมคะเ<ม>ช่นพ่อแม่เจ้ากันในเวรของเราค่ะได้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปอุทิศแน่ท่านหรอกท่านเป็นเศรษฐีบุญนะเป็นแต่เราเอาเหตุของความตายของท่านมาเป็นเหตุให้เราได้ทําบุญแล้วเราก็อุทิศให้กับผู้ที่ต้องมารับบุญ คบาอาจารย์ทานเปนมรรค บ, บุญของเราหรอทําในบุญมากกว่าที่บุญที่เราส่งไปให้ท่านท่านเป็นเศรษฐีเศรษฐีบุญเหมือนกับเศรษฐีเนี่ยถ้าเราเอาเงินที่ให้ขอทานไปให้เศรษฐีเขาจะเอาไหมเราไม่ต้องหลักเก็บไว้เถิดนะเรามีเหลือกินเหลือใช้แล้วแต่เขาทราบเขาก็จะบอกขอบใจอนุโมทนาที่ยังอุตส่าห์คิดถึงเราอยู่แต่ไม่ต้องกังวลกับเราหรอกเรามีบุญเหลือเฟือแล้ว อุทิศไปให้กับพวกที่เขาไม่มีดีกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะถ้าเขาไม่มาบอกเราเราไม่รู้หรอกแต่เราก็ทําเผื่อไปอย่างนั้นเองเผื่อพ่อแม่เขาไม่มีบุญเขลออบุญอยู่นี่ก็ให้เข้าไปแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขามาขอบุญเขาจะต้องมาส่งสัญญาณบอกเราเช่นมาเข้าฝันบอกโอ๊ยทาริลูกพ่อแม่ลําบากเหลือเกินช่วยช่วยพ่อแม่หน่อยเถิดอดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่อาศัย เี่ยตอนเช้าก็ไปใส่บาทนะแสดงว่ามีท่านมาขอบุญนะแต่ถ้าไม่มาขอลรวก็ทาไปให้สรรพสัตว์ไปใครก็ได้ถ้าบางทีไม่มีพี่ไม่มีน้องหรือไม่มีคนที่เขาชอบทำบุญอุทิศให้เราก็อุทิศแทนให้เขาไปก็ได้หรือไม่อุทิศก็ได้แล้วแต่เราคำถามจากคุณพิมพรค่ะคนที่เวลานั่งสมาธิภาวนาแล้ว เกิดมีอาการเรียกว่าอภิญญาถามค่ะว่าแล้วคนที่จะมีอภิญญาได้ทุกคนไหมคะแล้วคนที่มีอภิญญาดีหรือไม่ดีคะอภิญญานี่ก็เป็นเรื่องของที่ไม่ไม่เกิดขึ้นกับทุกคนที่ภาวนาบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แล้วแต่วาสนาแล้วแต่อดี ต, ตชาติเคยฝึกเคยฝนมาทางอภิญญาหรือเปล่า เยฝึกมา่คยมีของเก่ามามันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีก็ไม่มีอ่ปัญญานี้จะเรียกว่าจะเป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้เหมือนมีดมีดถ้าเรารู้จักใช้มันก็เอามาทำประโยชน์ได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็ามาบาดมือเราได้เอนถ้าเรากำลังอยู่ในการพัฒนาอยู่ในการภาวนาเพื่อดับกิเลสดับความทุกข์ เราก็ถ้ามีอภิญญาก็อย่าเพิ่งไปใช้มันเพราะถ้าเราไปใช้อคิญญาตอนนั้นมันก็จะมาขัดขวางการทำงานขัดขวางการฆ่ากิเลสของเราเพราะสมาธิที่ได้อคิญญานี้มันจะไม่มีกำลังที่จะทำให้เราฆ่ากิเลสได้เราต้องไปเข้าสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอคิิ ญ, ญานี้มันเกิดในสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิ อุปจาจาสมาธิไม่มีอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาเพื่อที่จะมาหยุดกิเลสงั้นถ้าเราต้องการจะฆ่ากิเลสเราก็ต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิเวลามันจะออกมาทางอภิญญาก็ต้องดึงมันกลับเข้าไปในอัปปนาสมาธิให้มันอยู่เป็นอุเบกขาแล้วพอมีอุเบกขาแล้วเวลามาใช้ปัญญาฆ่ากิเลสก็จะมีกำลังฆ่ากิเลสได้ ถ้าไม่มีอุเบกขาก็ท่าไม่ได้เช่นรู้ว่าดื่มกาแฟไม่ดีแต่พอเกิดความอยากดื่ม้นมาก็ไม่มีกำลังที่จะฝืนมันแต่ถ้ามีอุเบกขาก็เฉยได้ไม่ดื่มก็ได้ไม่เดือดร้อนถ้ายิ่งถ้ารู้ว่าดื่ ม, มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข ก, ก็ไม่ดื่มมันดีกว่าเลิกดื่มดีกว่าถ้ามีอุเบกขาก็จะเลิกได้เพะฉนั้นการมีอภิญญานี้ ถ้ายังไม่ถึงเวลาไม่ควรใช้เหมือนแต่ถ้าหลังจากบรรลุแล้วอย่างพระพุทธเจ้านี้บรรลุแล้วฆ่ากิเลสหมดแล้วนี้ก็เอาปัญญามาใช้ประโยชน์ได้เช่นตอนที่องค์คุลิมาตามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้อภิญญาทําให้องค์คุลิมาไล่ตามไม่ทันวิ่งไล่เท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าเร็วกว่าจนกระทั่งองค์คุลิมาต้องร้องว่าท่านหยุดเถิดะ พระพเจ้ญญ า, าก็บอกว่าเราหยุดแล้วเธอไม่ได้หยุดต่างหากองคุลิมาบอกไม่หยุดยังไงก็ท่านหยุดยังไงผมวิ่งถ้าเป็นแทบตายก็ยังไม่ทนันท่านพระเจ้ญญาก็บอกเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงเออเอาพูดอย่างนี้ถ้าได้สติขึ้นมาว่าตัวเองกําลังโลภกําลังโกรธกำลังหลงต้องมาหยุดตัวนี้ก็เลยนี่ใช้อภิญญาสอนคนได้ทําประโยชน์ได้แต่ถ้ายังไม่บรรลุ เอาเอาพิญญามาใช้เดี๋ยวจะเป็นเครื่องมือของจิเลสไปเพราะกิเลสมันก็จะหลอกให้เราเอาไปหาเงินหาทองกันแด่นมีตาที่ดูเห็นหนู่นเห็นนี่เป็นหมอดูเดี๋ยวก็มีคนมาหาเดี๋ยวก็มีคนมาทำบุญเยอะแยะก็ น, <K> นั่นแหละจะใช่จริงก็ไม่จริงก็ไม่รู้ล่ะมันอาจจะมีทั้งจริงมีทั้งปลอมเราก็ไม่รู้ครัส่งจริงก็ไม่ส่งจริง ท่านทำจากคุณน้อยนาค่ะเคยนั่งสมาธิบริเวณที่เป็นที่เผาศพเก่าแต่ไม่รู้นั่งไปได้ครึ่งชั่วโมงกําลังเป็นสมาธิเกิดอาการหงุดหงิดภายในไม่รู้สาเหตุต้องใช้สติไม่สนใจอย่างน่ะจึงผ่านไปได้จะเป็นแบบนี้หลายครั้งเมื่อไปปฏิบัติธรรมวัดป่าสถานที่ไกลความเจริญบางครั้งต้องลุกเดินตรงกรมก็มีขอคําสอนจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็ฝึกสติไปเรื่อยๆ สตินี้ถ้ายังกําลังไม่พอกิเลสมันก็จะสร้างปัญหาให้กับใจเราสร้างความหงุดหงิดสร้างความทุกข์สร้างความอะไรต่างๆอาการต่างๆเกิดจากกิเลสเพราะสติเรามีกําลังสู้มันไม่ได้ถ้าเรามีกําลังมากกว่ากิเลสจะไม่สามารถสแสดงอาการต่า ง, างๆได้มันก็จะทําให้ใจเราสงบยิ่งถ้ายังมีอาการต่างๆอยู่สแสดงว่าสติยังกําลังไม่พอ ใจ ย, ยังไม่สงบยังไม่เข้าไปสู่สมาธิเอาคําสามสุดท้ายนะเพราะว่าหมดเวลาแนละ้วคาถามจากคุณตาเลิค่ะเคยเห็นผู้ปฏิบัติถือศีลแปดบางวัดสามารถฉันข้าวในบาทและบินบาทได้แบบนี้ถือว่าผิดไหมครับผู้ปฏิบัติหมายถึงไม่ใช่เป็นพระใช่ไหมค่ะผู้ปฏิบัติถือศีลแปดค่ะก็ไม่ควรหรอกเพราะว่าบาทนีถ่ถือว่าเป็นเป็นบริการของพระให้ใช้กับพระะ ถ้ายาตโยมก็ใช้กาลมังไปแทนจะเหมาะสมกว่าเพราะมันเช่นนะั้นเดี๋ยวมันจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปเดี๋ยวต่อไปก็ขอยืมจีวันผ้ามาใส่ <c oughs> เดี๋ยวพ้าก็ขอยืมงเกงโยมมาใส่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันก็ยุ่งกันไปใหญ่นะต้องแยกกันนะเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควร <c oughs> แก่เวลา <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจ า, าไปปฏิบัต